ละโกมนุษย์เปโตมนุษย์ในร่าฉาโนนะมนุษย์เทวมนุษย์ธรรมมามนุษย์โลกุตรนะเนี่ยราชมใหญ่นะนั่นนี่แหลเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ที่เลิศแล้วนเะนีย่ยย้ำย้ำชาเถอะรให้ตกต่ํานะให้เคลืนให้โพ้นะนั่นมันไมฆขีดนะพระนิพานขีดนะนั่นกายไม่นั่นพระ ก, า ย, า, กายพิดกไม่่กลาตรา ความทั่วร้ายน่ะอาวิเจนะนั่นมือเขียดอยู่นะกลายไป น, นั้นไม่เห็นไม่เห็นในพระกลายพิลูกนะนั่นเวียนวายไปเกิดน้อพกน้อยพมใหญ่นี่ น, นะนั่นกัดเป็นพนื้อพกแก้ากัดเป็นพระพิเศษผินพ้ะละหานมาไม่พอนะพอนะมื่มาฉันนะอ ย, ย่ยางหายาบาเราให้ตกต่นนให้เฟื่องูให้บีบสินมีกระยาณธรรมนะ นายบรรมการนะนะอุบาสกนะนะพระแม่ในะสมัยก่อนท่านเอาจริงเอาจังใชด้วยนะนั่นะ mm. เชื่อมัน่นเข้มจังเนะี่ยเพราะมันเห็นพระพุทธเจา้าเห็นพระอดีเจ้านะมันเห็นวยตาหนังเลยนะั่นหะัวใจลุกพลบพลบเถียวนะนั่นะยกตัวอย่างให้ฟังไม่ล mm. ้วงวางในองค์สมเด็จพระพระมียภาคธรรมาชีวินพันหนึ่ง ขวานสามคนนทธธีขยาดกับสปะนะ น, น่ะแล้วก็สี่พระพุทธองค์อีก อ, ก อ, ก อ, องค์หนึ่งพระองค์องค์นั้นเอาพวกเสด็จหอบไปหาพระยาพิณสารนะไปพักโดยสวนตันหน่อมของพระยาพินสารในขณะนั้นะพระยาพิณสารท้าพระยาได้ทราบพระทัยว่าพระวิษณเจ้ามาพักในสวนของพระองค์ได้เมื่อได้คนทั้งหลายตื่นเต้นกันได้ อโคเบนีนพระยาพิมพ์สารนำไปหาพระ อ, องค์ในข้างนั้นนั่นของบูติชนนะ่ะไปอโคเบนีนน่ะมันะมเถียงกันดังรนดังเงี้บเถียรนะน่นทิฏฐิมีทิฏฐิยังเป็นบุติชชนอยู่ราคาทศหมาอย่างขึงอยู่ในจิตนั่นเวลาเห็นองสมเด็จพระพระุทธพาตตายไอความชั่วเหล่านั้นนะ ง, งดเทียวนะนั่น มันเห็นด้วยตาหนังแนะ่เห็นพระพุทธเจ้าพระมหาบุรุษนะนั่นทัศนาการนุตริยามันเห็นเยี่ยมนะนั่นออหัวใจบริสัทธ์แมันขนพองสยองก้าวแล้วจิตเต็มตกะนะมันปลื้มใจนะนั่นนั้นเงเหล่านั้นนะมันสระจนิวรนออกจากดวงจิตนะนั่นมันวุ่นวายอะไรวุ่นวายสารพัดนะอำนาจพุทอนะมันฝังเข้าไปมันโอเปริโกมปลื้มนะนั่น อหัาใจเป็นภาชนะที่ทองที่เป็นภาชนะทองสะอาดนะนั่นะมันติดของมรดชนมันสงบแล้วเนี่ยเราวางนั้นอนะองค์สมเด็จพระพระมิมภากขึ้นธรรมเทพนะพระมารุนำมาให้ความงามของพระองค์นะนั่นะทรงกีวรนนะนั่นะขึ้นบันลังเครนะนะั่ลังวาจาของพระองค์เทแทปะมันเหมือนไม่เหมือนศาสามัดชนนะ มันไปแล้วแล้ววางด้นองสมแดดพระพระเมภาคมาเดินจะกลมอยู่นแหมเหล่าพนแดงเห็นภริยาถึงสารทาภริยาเธอมาในั้างนั้นนะมหาโมพสต์มานะมหาโมเสต์มานะนั่นมาไม่ใช่การนะนั่นอจนจะสว่างแล้วนะีะนั่นเอามหาเพทธรไมสันนะนั่นข่าพระองค์มหาพระค่ะ พอออะระองค์อะอะไรบาุมนดานบนสวนสรรค์สนาไปได้ข้าพระองค์สนองพระทายไม่มีที่พึ่งได้เทงเวงเวงมหาพระ อ, องค์ในรั้งใดนะบารมิฎานบรรยากาศเคลิ้นใหญ่เท่านั้น น, น, น, าานั่นแต่เป็นเหตุผลนะประกันได้ข้าพระองค์จะสวรรค์นคดบระกันได้และสมมติในกรุงราชสกหาในเจสิหานี่านบาระกันได้นน่น ระหว่างนั้นอง์สมเดชคณะพระมเหภาคพยากอนทันเทวศ <c oughs> ิวัะของพระองค์ยังอยู่ยังไม่สวรรคตนะมาสมบัติกรุงราชสักขะนี้ยังคงอยู่นะมหาวิทย์นะนั่นแล้วเทนั่นความบรมนดาลนนะั้นไม่ใช่อื่นไกลาญาติของพระองค์ในข้างนู้นเดียวนั่นวงพระพุทธเจ้ามานานะหลายพันองค์นะนั่นกินของสองไว้ในคณะนั่นเห็นนะนั่น อขโคผินเะลยนะญาติพระองค์นะน่นะสาธารานั่นนะชื่อว่าวิปัสสีพองมาอายุแสนปีนี่นะั่นสาวของพระองค์ถึงหกล้านแปดแสนนะนั่นเะข้าไม่พอสรร น, นะน่นทะําสังเข้าในวัดเนะี่ยเชิยาแพรไปเข้ากัคนทั้งหลายมาใส่ใ ส, ใส่ใส่สางไว้ แล้วได้ญาติของพระ อ, องค์นะ่มาทำกระปริจังหนะันนะแล้วไดาไม่ได้อุทันอุปโลกนะากันป้อนให้เด็กก็ปั่นให้ให้มือเด็กงั้นอย่างนี้เดียวนี่นะญาติของพระ อ, องค์ไม่แข็งแรงนะโคตรนดีนงใดนะมาแสดงในครั้งนี้นะนะให้พระ อ, องค์ทราบพระทัยนะแล้ววางนั้นพระยาพึงสารทาพระญาทานะนะ ได้ยินนะองค์สงเดจพระพภูมยภาคนักพยากรณ์เช่นเดานะพยาผิวสันนครลบเนี่ยใจน้อยนะมีเมตตานะนั่นได้ยินเสียงพระองค์พยากรณนะ์นะแหมล้องไห้ยทีนะสงสารญาตินไะด้ระหว่างนั้นในมองค์สงเดจพระพภูมยภาคพร้อมพวกสเสด็จนนะพันใส่ขึ้นในพระราชาวัวงเวลาเช้า น, ะนั่น รับพัตถารานโพชฌงค์นั่นพญาพิศาลน้ากับจัดแกงเสร็จเนี่ยถึงเวลาชาวองค์สําเร็จพระพเมลาภาพาบริวารเดินหอจอนขึ้นประสาทในวังของพญาพิศาลในั้งนั้นเนี่ยพญาพิศาลท้าพยาเธอนแม้เธอไวทานนะพิโสทั้งพันเศษนั่นสรรพัตถกิจเสร็จแล้วสรรพัตถกิจเสร็จแล้วนะ พยาพิสารไหลนำบุตกะวารียาหน้าไปถึงเปรตเนี่ยมาไอเปรตเหล่านั้ น, นแม่ได้รับอมทธนาพยาพิมสารนะน่ะพากันขึ้นไปสุกติโลกสวรรค์แม่นางสุภาพึ่งพับแดดนะขอให้เป็นดุจเดียวกันเหมือนญาติพิะพยาพิสารนะเธอน่ะเชิญเธอมาทิ่นี่นะน่ะมารับบุญกุศล น, นะ นางสาวตุนะผู้ที่อุทิศถึงเธอนะนั่นม่เธอไม่เลยเธอไม่รู้จักอธโมอันโมธนาบนุญกุศลลายในชายเนะี่ยขอเทพท่านพู้มีฤทธิ์เดชสะกดนโลกนะก็บอกให้เธอนางสาวคนนี้รับอัณโมทนานะคนไอ้วความทุกข์ไปสู่สุติโลกสวรรค์นนะ เหมือนกับญาติพระมิพญาพึงสารในครั้งนั้นนะระยะนี้เชิญับพรได้หยดานา้ำเสร็จนะมะนยอติลาโยาธานปิติยออวัดยนันโตสามาโลกวินาศโตมาแต่ภาวัตวันตะลายยสโซคีเดียคาโยโกเพรา อะพีวาดาศิริจญาณิจังวุธาปจายนโนจตัลโลธรรมะวัชันติอายุวันนอยสุขังมะาลางอะกันทงห่อยู่นะอ้าวเห็นนางนางแทพทั้งหลายแสนโกดเห็นเพราะมันไรหนอพุทธ ช, ชินนนรถนะงามมากนะอยู่ในใต้ต้นไม้เนี่ย พัฒนาการมุตตียะเนี่ยตาของนางฟ้าถึงแสนโกรธนะไม่วางตาเห็นพระผู้มิเจ้าผู้ที่เซ็นกิเลตนะนี่ยไม่วางตานะไม่วางตามาดุดดื่มนะเนะ่นั่นไม่ไม่ไม่เหมือนกับเห็นท่านผู้มีกิเลตเน้่มันเบื่อเนี่ยนะมาแสนโกรธเลยเห็นพระมรายถอดพระเนตรเห็นนะนางฟ้าั้งแสนโกรธนะไม่วางตา ตาไม่กระพรินะนั่นมันดุจเดิมนะนั่นทัศนนุตริยะในเยี่ยมนะนั้นแม่และฉันใดก็ได้ข อ, อตังอกตังใจอาตมาจึงพูดได้ว่าเพรอาชนะนับรองพระ อ, องค์นะนั่นพระออเสด็จมานั่งอยู่ในอาชนะเราอยู่หน้าต่อนหน้าพระธรรมนักนะนั่นไม่ละราคาสูที่สดุดเราได้กลิ่นสัมผัสพระ อ, องค์นะนั่น ไม่เหมือนกลิ่นดอกไม้ทั้งหลายนะกลิ่นสับหลุดและมันเข้าถึงใจนะนั่นอ mm hmm. ไม่ส่งแดดออกไปภายนอกนะม้วนกลอมอุปถากพระองค์กวาดพระองค์อายพระองค์นะ mm hmm. กวาดพระองค์ด้วยวิเลอายพระองค์ด้วยนะนั่นนี่อาตมาพูดในตอนในทียวนะ้เพราะยังไงให้ญาติยอมทั้งหลายพระแน้นตื่นเต้นกันมากในตอนในที่นี้นั่นทัศ น, นานตริยะเนี่ย ตั้งฟ่าทั้งหลายเห็นพระ อ, องค์เห็นพระมาลัย น, นั่งกายอยู่ไม่เราอยู่นั่งใกล้ๆทั้งหญิงทังชายต่อหน้าพุทธสํานักนี่นั่นมันไม่เกิดป ฏ, ปฏิปฏิหารได้ยังไงมันต้องเกิดปฏิหารรวมลงไปจี่กักๆลงไปนะสงบนะนั่นมันสอนจิตนะทัศนานุตริยะราคาสูงที่สุดนี่นไม่ล่ะเมื่อท่านทั้งหลายได้สลับตับฟังอย่างที่กล่าวมาโอ้ปานี้โอ้ น้อมมาปฏิะัติตบูชาพุทธบชาธรรมบชาสังฆบูชาเะี่ยก็อย่นั้นเลยสมในพภาชนะศาสนาโดยง่ายสมควรกับกเวลาดังอัตมาอัตมาวิสัชนามาเอวังก็ไม่ด้วยประกาศได้เช่นนี้ อ, อุบาสิกุบาสิกาโอกาส จ, จะพรมานตนนะั้นตั้งสมที่ไม่เทได้ก็สังกัดเด่นั้นไม่พุ่งพลาด เรื่องรถเรื่องลาอะไรทุกอย่างไม่หละอองสำเร็จผรระผมมีคภามชอบชอบพระทายให้สาวกขาสถานที่วิเวกนะนกลายไปแวกราทีเด็นเะียดังพระพริงดังขัดธรรมะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเ่ย วางต่ให้กรองนะแล้วก็หลับตาหยุส่งตาออกหยุดมันไปตามสายตานะนั่นสังวลโลสังรวมจิตนั่นแล้วเราอยู่นัเห็นเ น, นให้ตัดสินนะอเราคนเดียวแกเก็บตายคนเดียวนะจิตยันเมืองกันให้คุคกครีกกันใหญ่สำคัญนะมีคนมากนะไม่ละสําคัญกายไปแหวกนะเปลี่ยวว่าวัยนั่น แม่แหละองค์สําเร็จพระพระเมลาภาคสอนสาวกด้วยวิธีนเนธีนว่าเจวะแวกน้าทินี้ห้ามคุยการนั่นระ ง, งับปากไม่คุยการนั่นมะนองวะแากน า, า, าทินเนจิตเปลี่ยวเหตวะแวนะความเปลี่ยวคำ ว, ว่าแหน้าถิ่นเนเน่ะมันมีอํานาจใหญ่โต มันชำระในวานออกจากดงกิดนะอปรียจังลายใครก็ดงกิดนะนั่นแล้วก็หัวใจเป็นภาชนะที่ดีนี่สำคัญมากแล้วก็อภินิกโกนั่นน้อนมพระองค์มาสกิชดเชิญพระ อ, องค์มาในเรือนของเราในจิตของเรานะเนี่เราชำระเรือนของเราให้ได้ให้สะอาดที่สุดคือใจนะ ร่างเช็ดให้เดขัดให้เดลนั่นพบในดอกไม้ของหอมแล้วก็ปูอาจชนะให้พระองค์ประทับนี่นั่นไม่ละสำคัญมากเฉพาะตัวบุคคลคนหนึ่งเฉพาะพระเนนะคนหนึ่งคนหนึ่งอุมาสกอุบาสิกาคนหนึ่งนี่นองค์สมเด็จพระพระเมรภาคท่านไม่ชอบสกปุกนี่นัน่นในวานนั่นสกปุกนี่นั ชอบความสะอาดทาั้งจิตทั้งใจนั่นะเพราะสวรรค์นี่ผ่านของที่สะอาดนั่นระับบุคคลให้ขึ้นไปได้นั่นะไปครองสมบัติได้ในและการนั่นนะมันคล้ายคล้ายกับองค์สําเด็จพระพมียภาคนะทําเตียงทองเตียงทองอันนั้นนะองค์สําเด็จพระพมียพักนะแต่งดีแล้วเตียงนั่นะ hmm. เพื่อรับรองอุบาศกอุบาศิกาพระนันะ่น เกตสะอาดด้วยอำนาจการบรรเพณทานเกตสะอาดด้วยอำนาจราักศาสนพนนาจะขกิดเพียงทองของพู้เจ้าได้นะคนตามไม่ได้ไม่ได้หินะ ห, นะหินะตามมันเอื้อมไม่ถึงนะจิตไม่สูงนะนั่นเจตปรทาทิจักนะนละการบรรเพณทานรักศาสนพนนานั่นการทานทานนั้นที่เนธทานทั้งปรำมัดนี่ไม่เกี่ยวทั้งอมิตร ปรมาตาเทียนเลยนะทานขี้เกียจขี้คลานนะทานความงงเงาเตาตูตนนะนั่นให้ฉลาดในการมาภาวนาพุทธโธนะเม mm hmm. ลอะองจอมแดดพระพระเมรุภาคเป็นชาตินิพพานทั้งกายพระ อ, องค์ด้วยทั้งวาจาด้วยทั้งน้ำประไทยด้วยนะ mm hmm. กายพระ อ, องค์หมายความยังไง แม้พระนิพานนะนั่นหาได้ง่ายที่สุดแตสมัยไหนน้พระองค์อยู่ในต้นไม้นั่นชาตินิพานอยู่ที่ที่นั้นนั่นสมัยไหนพระองค์อยู่ในปราสาทของนางสขานั่นพระนิพานยนต์หินประทับยนต์หินนั่นเนื้อหนังพระองค์เป็นชาตินิพานแค่นั้นจุดสมในคณะพระองค์ น, นั่นนิพานไปนะ มันเป็นธาตนะเป็นชาตินิพานเป็นเครื่องหมายนะั้นไม่ละสําคัญมากมกายพ อ, องเป็นชาตินิพานธ์วาจาพ อ, องก็เป็นชาตินิพานธะ์ดันเมกะชลอนุตระสัมมาสมบทียาแนะ่ดันไะม่แท้ธรรมจักรกับัฒนะสดทรมานปเจวคีหะธรรมจักรนะล้วนแต่เป็นพระนิพพานเะนีโอหนะันดั เป็นปฏิปทาที่ออกจากทุกได้นะนั่นะนั้นพระเจ้เคีเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเป็นบุทิชนเป็นพระอวิยะนี่นั้นไม่ล่ะสำคัญมากนะแม้นาใจพอง์ก็เป็นชาติพานอยู่ในวิวโมกวิมุตกิจสะอาดน่นไม่ล่ะในม อ, นองคอสเนตพระพระเมภาคมาสุจัยของเราเรือนๆของเรานัน จ้างพระ อ, องค์ประทับนั่งอยู่แม้พึ่งผายเนยนะรัะทธนาพระมหะมุรุษพึ่งผายองค์อาจมากอยู่นะนั่นะเรือนหลังนั่นนะแม้ยดนะนะ่แสงสว่างขึ้นจู่ฟ้าเทียนนั้นะเปล่งปรเพรียงมากนะั่นะและเทนี้นะ อ, องค์มาสกบานศกดิพระแ่นะอยู่ต่อหน้าพระ อ, องค์ใกล้ๆทิดนะนั่นะมาได้รับสัมผัสพระ อ, องค์กลิ่นนะนั่นะ เป็นพระมหาบริสุทิ์กินพระในพานนะเด่นไปถึงหัวใจนั่นหอมนะน่นหอมได้ไกลหอมได้ไกลาย่นไม่ใช่หอมเหมือนดอกไม้ทั้งหลายนะดอกไม้ทั้งหลายหอมชิน้นเดียวเนี่ยนั่นอันนี้สมบริหอมตั้งร้อยแปดทีนะโปรงกิจทั้งเล้านั่นเราโย่ไก่เค็ดพระองค์แล้วน่านแก้งกัวที่สดนะนั่นฮล่ฮิเล่เลเกิดขึ้นเสร็แล้วนั่นอายพระองค์อายพระองค์นั่น ไม่ส่งเกตออกนอกนะนั่นโอโ อ, โอตปะเกิดขึ้นเะแล้วเกรงกลัวพระองค์นั่นไม่ส่งเกตออกนอกตาอดีตอนาคตนะนั่นมัธยัติใ้ความเป็นกลางนั่นค อ, อยฟังโอวาทคำสอนของพระองค์ น, ะนั่นนั่งไกลพระองค์ถึงขนาดเป็นมงคลอยู่แล้วเป็นมงคลอยู่แล้วนั่นมใจของเราให้เกิดปิติแนะ่งความเพียร น, นะภาวนาพุโทโธยิง น, ะนั่น มัน ค, คล้ายๆก็จับสังขารตีพ อ, องว่าให้ ม, มันนะพ อ, องเสด็จไปที่ไหนเหาะไปไหนไปด้วยนะั่นเราเป็นราชินาของพระอ ง, องนะค์พระเยงนนะคนายนะนั่นพร mm hmm. ชายเป็นมงกุฎราชกุมารนะนันจิตเด็ดเดียวจิตกล้าหาญจิตสูงนั่น mm hmm. ไม่ละสำคัญมากที่สดนะุดนั่นราชินะองค์สำเน็จพระพระเมียพระขามอดีตนะยาคนขวาือดนะั้นมันล่วงแล้ว ล่วงแล้วมันผ่านมาแล้วนี่มันคล้ายๆกับถุยล้มลายลงไปแล้วเลียกินแม่ข้อนี้น่าเกลียดนักเนะี่ยมรรทปัจจุบันนะปัญญาปัจจุบันน่ะเด็ดเด็ดมันเกลื่อนมันกินหมดแล้วอ่าโกงเงาเตา ต, าตูนซะแล้วนี่นะอิมบ า, านดังองสําเร็จพระพระเมีพักข้ามอนาคตนะย่าเกี่ยวกาะ น, นะเสงใด ย, ยังไม่มาถึงเราอย่าเกี่ยวกะเขาเรียกสมบัติบาสมบัติบานะีมรรทปัจจุบัน มอาอดีตอนาคตทับปัจจุบันเกิื่อนไปจนหมดแล้วเนี่ยนั่นไอ้ปัญญาปัจจุบันไม่คงแคลนะไม่ครับ น, นั้นองค์สมเด็จพระพระมีภาคจึงให้ละอดีตอนาคตนะเข้าปัจจุบันภาวนาพุทโธพุทโธเล่งพุทโธเถิดอ้าวมันทำมหโลหกตโตทำให้มากนะมันมากนักมากนะแเข้าไปนะอ้าวหัวใจเมื่อกี้ควักๆลงไปเว่าง ความเข้าใจมันขีดจีกหน้าทีนี้มันไปพร้อมในองศาบนะมันทละลุหนึ่งแสงสว่างหนึ่งนั่น<ม>ความรู้ความฉลีดยร่นลงไาจีกวัาควัูบงไอ้า<ม>ตั้งอยู่ซะแล้วนี่<ม>เอโกอัพมอนะสงบซะแล้วนี่นั่นเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนจิตนะจิตจิตบุตรชดมันไปร้อยแปนะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสังขวาสังห้อยความเป็นเด่งไอ้ความสงบนั่นะ อ้าวรักษาความสงบนะหมายความสงบอันนี้ยละคลายก็เราได้สมเราได้สมบัติของบรมเจกาพ a t นะรักษาไม่ให้สิบหายไปนั่นนี่ ก, นกรณีแวดลอ้อมอยู่นั่นนั่นเพ่งโยเทนั้นเมื่อพุทธภหาสิทธว่าพระเพ่งอยู่ย่อมแก่ความสงสัยได้ไนงะความสงสัยอันใดอันใดพุทธโธนะฉลาดนะนั่น แป๊บแปลงปลาเปรียงมากนี่นั่นไม่ะตอนนั้นตอนนั้นอ้าวไอ้ความรู้มันสอนขึ้นมามัน้อนขึ้นมานะนะ่นสิ่งใด้ไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาเช่นแล้วสิ่งได้ไม่เห็นก็เห็นมาแล้วนะั่นฉลาดนนะั่นะอาจารย์พุทโธนะปรุงกิจนะนะตอนนั้นตอนนั้นนะเกิดปิตินะนะเพิ่ม อ, อกเปิ่มใจนะแหมเบากายเบาใจเช่นแล้วนะั่น ไม่หนักเหมือนกิเลสหาบกิเลสได้แต่ก่อนมันปงอะไรนะพองปองสังขารโดยใหญ่สวุขาวคืออานาจสมาธิเนี่ยมันคลายๆก่อนเห็นทับหญยาเห็นทับไห้เห็นทับหยาไว้เช่นนั้นยาเกิดไม่ได้ไงเมื่อเอายาเอาเห็นออกแล้วยาเกิดขึ้นอีกทีอํานาจสมาธามี มิดมิเดชเท่านั้นเองเนี่ไม่เหมือนนี่ปรสนามันถอนลากถอนเงาของตัญหาออกได้นะ<ม>่ะไม่ละในนั้นแหละดักษาความสงบอยู่<ม><ม>เกิดความรู้ความฉลาดเกิดเวตินะนั่นไม่ติดขนพองสยองก้าคือขึ้นซะแล้วนั่นเบากายเบาใจนะนี่ในตอนนั้นบางครัง้งเวติหาตัวไม่เห็นนั่น ั้างๆเปตินำตาไหลาเท่านะ้นั่นบางติบางทีนะสืออื่นทึกๆกันะนั่นบางทีเรานั่งอยูงหงายหมาล้มตึงนะนั่นนี่นะเปรตมันแรงแรงที่สุดอืครับมันอาจจะมาพูดว่าท่านจะมั่นนะเปรติอันนี้เป็นอาหารของจิตพวกที่คนเคยได้ผ่านพระเจ้ามาแล้วได้ทํามาแล้วนะี่ยกุศลนั่นนะให้เกิดขึ้นนะในปรติ ไอ้ติอันไนี้อาจจะมาพูดเรื่องเอกเทศนะแท้ที่จริงพฤติบีถึงผ่านหานะตันหาร้อยแปดนะนั่นไม่นะสําคัญเรียนพฤตินะนั่นเอาเรียนพฤตินะเรียนนเม็ดให้นี่นันมันจะเกิดเม็ดขึ้นมานะนั่นเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมามันวนอาการของกิตจทันกันมันแทันวาให้ปองทูกขังในจังนันตาในเม็ดไม่เทียงไม่เทียงนะแก สัญญาวิประรไอความเป็นใบบานนะนั่นค่อยๆก็เราดูหนังนะนั่นหนังชดในมันออกมาเอาชุดใหม่เกิดขึ้นมานั่นไม่นะในเม็ดน่มันของลายกราดนะให้เสียชื่ลิตได้เถยวนะยิในในในเม็ดเอาเกิดในเม็ด อ, อันดนัเช่นปีปราศาทลอยมาเนี่ยวิงใส่ น, นั่นม่ผ้าขาวคนหนึ่งครับพูดให้ฟังเดวนีเวศ อย่างหมดดอนพอะขาคนนั้นเดินไปเดินมาเออาดาบมันลอยมาเธอทายานใส่ลมเนี่ยเปลาหน้าเหมากันเออนี่นะเยินเดนในเม็ดนะนั่นเกินลายในในเม็ดแหม่บางครั้งนะเป็นขวะเป็นคนใหญ่คอขาดมันวิ่งมานะนั่นไม่นะเสียนี่ เหตุนั้นเหตุนั้นนอาการคือขอ ง, ของจิตอันที่นี้มันเกิดรอยแปดเราสะสมมาแต่อดีตกรชาตินะนั่นมากองแล้วปัจจุบั น, 108นรอยแปดในเม็ดมันจะเกิดขึ้นนะต้องเรียนในเม็ดใ้ฉลาด น, ะนะ่นั่นเมื่อในเม็ดฉลาดแล้วนั่นเบติกฉลาดแล้วนะรักษาความสงบฉลาดแล้วไอ้ความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นมาฉลาดแล้วแทนไม่มามวนกลมมวนกลมสาโลกนะนั่น เรียกว่ามโนภาพเกิดขึ้นน ะ, นะมะโนภาพ้ทนทิ่นเนยทิ่นเนนะจิตไม่ได้ชานภาพมากดังจิตไม่อำนาจดังจิตไม่ฟุ้งซ่านนะแม้จิตมีราษฎร์นะหัวใจของพระเนรคนไหนนะอุบาสกอุบาสิกาคนไหนเน่มันปราบเรียงมากที่สุดมันแลเห็นในพรานแลเห็นความบริสุทธิ์ของจิตนะสะเทือนถึงสวรรค์ น, นะนั่น ไม่อำนาจมากน ะ, นะถึงไม่พูดไม่จานนะแหม่จิตนะ่องใสนะสะอาดนะนั่นมันสมกับเทวะเป็นราธิดาของมพระพุทธเจ้ามันสมกับที่วะอุมาศกเป็นมงกุฎราชกคุ ม, มานใจสะอาดใจสูงใจกลางหาในพวกนี้เนี่ยนั่นมันพ้นจากอาบายผมท้งเศเสียแล้วแน่นั่นมันคงอคำาทว่า โคดทงงางแสนังดฉาไม่นีพระองค์พูดหากว่าใครถึงทศาคดและอธิบายผมเรืงสี่ได้เนี่ยเป็นเนื้ตาไปเกิดบนสวรรค์เทวโลกเนี่ยไม่แหละวาชจาในตอนไหนมันแย้มออกมาจากน้ําหลายทายของพระองค์เป็นวาชจาที่บริสุทธิ์นะให้ถึงพรกถึงเขิงนะนั่นไม่ในตอน น, นนั้นแล้วอิบาการน่ะเราใกล้จะตายนะหรือกลัวนะนั่นความสันต้งกลัวมาถึงแล้ว พนพอสยองกล้ามาถึงแล้วนะั่นเพิ่งได้เลือกถือถากถึงสถาคุในความกลัวหายนะั่นไม่ละมันหายจริงหายจังใช่เลยนะนั่นะเพราะอย่างไรพ้นจ้าถ้าไม่กลัวตายน้ําพระทัยถึงอมาแต่ทำติดนันนอที่สุดนะนะั่นเพราะนัาา้นอาตมาผู้ใดปล่อยช้างแทงพระไม่ได้นะั่นเขาฟันนะเนะย็บจากนะักทันเย็นทันเย็นนะชื่อทันเย็นคนสรินนะ โคราดนะนั่นไม่ถึงเนื้อนะอ่มัมนชงมันเห็นอาจารย์เช่นน้นเนี่ยผู้ปฏิบัติ ด, ดีนะนั่นนในความแยบคลายธรรมะนะนั่นเป็นกิตที่สูงที่สุดกิตที่แข็งที่สุดนะนั่นไม่มามวลกลมม่อนกลมจิต ม, ม, ม, ม, มีอำนาจมากนะจิตแม่เดชาตภาพมากดนะังจิตไม่ฟนะุ้งซ่านจิตสงบนะจิตมีละสมิปเพิดเพิ่มพิ่มเนะนั่น โผดกับพระเจ้าพระสง์เทระพ่อใหญ่แหมในตอนนี้พระเทระต้องระวังตัวนะเนเพราะาไม่ใช่กิจระวังตัวนะนะอุมาศกอุมาศกานั่นเขาหม่เนื้อภพนนายนั่นนี่ละม่รับรองว่ากรร ม, มากราร ม, มาวจะจจ า, างกุดสลังกิจกางอุปนังโธติญาณสมยุตตานั่เขาไม่โดดถูก เขาไม่โดดถูกนะเขาไม่ให้ดูถูกว่าพุนจญาณไม่ให้ดูถูกนละไม่ให้ดูถูกอุบาสกอุบาสิกานะหินะแพทย์นะนั่นจิตเขาสูงนะนั่นเขารู้จักนะนั่นดีชั่วเขารู้จักเพราะจิตของเขาฝึกขัดดีแล้วฝึกปลือดีแล้วนั่นไม่ว่าฉันใดก็ได้ขอให้ต่างอกตังใจตอนนั้นขัดปฏิภาคนมนะีมมตรเนี่ยมังกายออกนะนั่นมังกายออกนะ หนังสือมุไทยอธิกดูกนั่นองสมเด็จพระพุทธพาคอนัปปานสตินะนั่สเร็จด้วยนั่นหนังสือมุไทยสาเร็จอธิกดูกนั่นบางเทศสาเร็จ้วยธาตุน้านะบางเทศสาเร็จ้วยธาตุไฟนะเพ่งกฤษณนะน่กรรมฐานสี่สิบทักนะนั่นสังรวมมันในใธาตุสนั่นอย่าเอานะมากมายนั่นอย่างพระอุบชาให คำมัฐานเกศโลบทเกสาลมานะคะมันห้าอามนะห้าอามณ์นะอย่าเอาเป็นอันเดียวไม่ได้จะไม่เห็นเลืเหนเดตจิตจะไม่คลัง่งนะนั่นมันห้าอารมณ์แนะ่มันมากมันนามร้นฟังมันมากจับปลาไหลมือนั่นมันถึงเปลือกสะเพร่ไม่ถึงแก่นนะั่นตะไบความแสบไม่ถึงแก่นนะไม่เห็นอธิการของธรรมะนะนั่น ไม่ว่าฉันใดก็ได้หลวงปู่เบลืองกับท่านพุทธนะทำจริงทำจังนะเหตุ mm hmm. ในผลต้องดูนะนั่นะมันถึงมักถึงผลนะนั่นยะังไวะจะเวียนนะนั่นนะั่นยะังขี้เกียจขี้คลานะนะนั่นหัวใจเนะีนะ่ยอธิษฐานถึงเท ถ, ถึงอริยสัตนะ์นะนั่นยังไงไม่เห็นห้องเห็นแน่นอนทช่ไมนะไม่เห็นอย่างหนึ่งก็เห็นอย่างหนึ่งอาจารย์ธรร ม, มะเนะีนะ่ย อุมาสองอุมาสิกาคงเห็นแน่นอนลองไปพระเนรก็เห็นแน่นอนลองไปริงจังนั่นเป็นศาสนาไม่ลวงหลกนะนั่นเป็นของเก่งนะให้เชื่อกรรมเชื่อมงเชื่อกรรมทําให้ดีดๆทําชั่วได้ชั่วนนั่นไม่แม้ความจริงลงไปแล้วนะไม่มีการสงสัยนะในในธรรมะธ ร, รมโมนะเหตุบ้านพ ร, ะ, นนพระองค์พูดสวรรค์เป็นสวรรค์จริงๆพดนรกเป็นนรกเก่งๆอย่างที่อัตวาพูดนะนั่น อ้าวเทวทัศน์เขาหามมาเนี่ยใกล้แล้วผู้เดียขาใกล้แล้วเนี่ยไม่ถึงใกล้แล้วไม่ถึงนี่ยอ้าวเทวทัตเนี่ยลูกเสร็จนะกระแทกอกเนี่ยน่าอาบขาดเนี่ยหิวกระหายน้ำเนี่ยเอ้าเห็นสัเอ้าปงเฉลียงแล้วลูกเสร็จนะปงเฉลียงนะนปงลงไปแล้วอ้าวเทวทัศน์แหวกแผ่นเด่นตกไปหาดทำไมหาวิกีน่ะ พระองค์คนทั้งหลายมาแลพุทธค า, ามาถึงพระองค์แล้วน่ะไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยนั่นมันจริงบนจังลงไปนะไม่เชื่อยังไงได้คําพูดของพระเจ้านะพระองค์โพูดสวรรค์นะนั่นฉันไปอมตะฉันไปอมต<ม>ะนั่นเธอนะนั่นนางบำเรอตายนะไม่มีที่อยู่ น, นั่นเว้นไปหาพระเจ้าเนี่ยนั่นพระเจ้าแก่ น, นั่นสำเร็จอลาหันนั่น ฉันเตียหมาตคนไหนน่ะไปชนะจับในศาสนะสงครามได้ไปจ้าวิเศษนโกุศลให้คลองราชสมบัติเก็ดวันนะี่มาในระหว่างเจ็ดวันนะแกเป็นกษัตริย์แน่หัวหลาใหญ่โตเท่านั้นสนามใหญ่นั่นให้หานางบำเรอที่ดีไปฟ้อนนั่ น, นเห็ น, นเล่าเพลียนะเห็นเบียนะแหมนั่น เดินางมาผ่านหน้าวัดของสุริเจ้าระหว่างนั้นองค์สําเร็จพระพระเมีภาคอยู่ในกลางวัดพร้อมได้สงทั้งหลายนะนั่นสงว่ามีสองเชนต์สงอรหันไมีสงบุชนไม่นั่นฉันไปอมวัดอยู่คอช้างนะผ่านไปยังไปสนามเล่นกีฬาในคกลางนั้นเห็นองสําเร็จพระพระเมีภาคเมาเหล้านะนั่นน้อมศีรษะลงใจ มาจะไม่รูมสึกตัวแล้วนะมันฟรีในการดื่มโซลาในครั้งนั้นเนะพราะองคตว่าโดนาะสงนะนั่นฉันติอธาษฐาคนไหนจะสำ